นี่มาขึ้นภัรษาวาระในข้อ123ยหน้าห้านะคือพระพิสูจน์เหล่านั้นพากันชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่าดีแล้วครับใต้เท้าเนี่ยนะเป็นคำถามที่เรียกว่าอาศัยคำถามนั่นแหละก็คือเป็นคำถามที่ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งสูงสู ง, ส ง, สงขึ้นไปเยนะก็เลยถามว่า ได้เรียนถามท่านภาษาริบุทให้สูงขึ้นไปว่าใต้เท้าครรภยังมีอีกหรือไม่เหตุคือปริยายแมะอย่างอื่นที่จะให้อริยะสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้ภาษาริบุตรก็ตอบว่ายังมีอยู่โคุณด้วยเหตุที่อริยะสาวกรู้ชัดซึ่งพภาษา เหตุให้เกิดภาษความดับภาษะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งภาษะเพียงเท่านี้แลคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัวธรรมนี้นรู้ภัษาภาษาสมุทัยภาษานิโรธภาษานิโรธคขามินีปฏิปทาย้อนอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะว่าการแสดงสัมมาทิฏฐิสูตรกับ ยานวัตถุ44ไม่ค่อยต่างกันเนี่ยนะานวัตถุ44เนี่ยนะเพราะยานวัตถุ44ก็คือปฏิจจสมุปบาท11คูณอริยสัจนั่นเอง11คูณ4เท่ากับ44นี่ก็นยะเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าสัมมาทิฏฐิสูตรพิสดารกว่ายานวัตถุต่อไปถามว่าอะไรคือผัสสะอะไรคือผัสสะสมุ ท, ทยัยอะไรคือผัสสนิโรธอะไรคือผัสสนิโรธคามินีปฏิปทา ตอบว่าผัสสะมีห ก, หกคือจากขูดสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสผัสสะก็เรียกว่าเรียกตามบ่อนะผัสสะคือการกระทบแล้วอะกระทบตามไหนอะตามตามหูจมูกลิ้นกายหรือใจเพราะสลายยตนาเกิดผัสสะจึงเกิดเพราะสลายยตนาดับผัสสะจึงดับเพราะมีบ่อเนี่ยแหละจึงมีผัสสะใช่ไหมมีที่อื่นๆเขาเรียกว่าผัสาะยตนาห จักขุจักขุนคือตาเนี่ยเรียกว่าผัสผัสายยตนะเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งผัสสะหูก็เป็นบ่อเกิดแห่งผัสสะจมูกก็เป็นบ่อเกิดแห่งผัสสะลิ้นก็เป็นบ่อเกิดแห่งผัสสะกายก็เป็นบ่อเกิดแห่งผัสสะมโนทั้งหลายก็เป็นบ่อเกิดแห่งผัสสะก็เลยเรียกว่าผัสายยตนะที่อื่นๆนะจะเป็นผัสายยตนะผัสายยตนะสมุทัยผัสายตนะนิโรธผัสายตนะนิโรธคามินีปฏิปทา แนั่นจะหมายถึงสลายตนะแต่นี้เน้นตัวภาษาก่อนว่าภาษาเกิดเพราะสลายตนะเกิดธาตุถ้าไม่มีตาจะมีภาษาไหมถ้าไม่มีหูจะมีภาษาไหมถ้าไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจจะมีภาษาไหมไม่มีอริยมักอ่นประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภาษะอะไรบ้าง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะข้อปฏิบัติถ้าพูดตามสูตรนี่นะว่าชื่อสัมมาทิฏฐิสูตรเป็นสูตรที่เป็นความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจถูกต้องในอะไรในผัสสะเหตุเกิดผัสสะความดับผัสสะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะ แล้วข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภาษาคืออะไรคือความเห็นที่ถูกต้องถือเอาแต่เครื่องความเห็นเนี่ยนะไอ้สัมชื่อสูตรกับสัมมาทิฏฐิสูตรถามเกี่ยวกับเรื่องสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วถ้าจะให้ถูกถูกไงต้องเข้าใจถูกต้องท่านถือเอาความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาเป็นลำดับแรกเป็นอันดับที่หนึ่งคือให้ความสําคัญกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถามว่าสูตรนี้มีคําไหนที่ใช้มากที่สุดคําว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นคํานี้มีเกลื่อนไปหมดเลย เยอะแยะจริงๆเพราะต้องการให้เรามีสัมมาทิฏฐิให้ถือเอาสาระสำคัญว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดความรู้ที่ถูกต้องดีที่สุดเนี่ยนะความสำคัญที่สุดเนี่ยนะไอ้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องอย่างที่เคยกล่าวว่าปัญญาเปรียบเหมือนอะไรเหมือนแสงสว่างในโลกนี้ถ้ายังมีแสงสว่างอยู่ไปที่ไหนก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ใช่ยังพอรู้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้ามันมืดมิดไปเลยล่ะ นันแสงสว่างนั้นสําคัญในโลกฉันใดสัมมาทิฏฐิก็ถือว่าเป็นความสําคัญของชีวิตของผู้ที่อยู่ในวัตฏะฉะนั้นหรือผู้ที่จะออกจากวัตฏะนี่สัมมาทิฏฐิก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนั้นความข้อปฏิบัติจึงให้ความสําคัญที่สัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นหลักนะครับพระศาสดาพระพิสุทั้งหลายเหล่านี้ท่านอยากเข้าใจถูกต้องจริงๆว่าไอ้ความรู้ความเห็นที่มันถูกต้องจริงๆเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะ มันเราได้ยินได้ฟังก็เพื่ออะไรเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะเพื่ อ, อเป็นเข้าใจถูกต้องแบบสุตตมายะหรือว่าสุตตมา ย, ยายนความรู้ความเห็นที่ถูกต้องในระดับการฟังเมื่อฟังแล้วถามว่าฟังอย่างถูกต้องแล้วไปปฏิบัติเป็นอื่นไหม <S <S ถ้าฟังถูกต้องนะถ้าฟังผิดอาจจะไม่มีการปฏิบัติแบบผิดๆแต่ถ้าฟังถูกต้องตามนี้อย่างถูกต้องการปฏิบัติยังไงก็ถูกต้องมันฟังข้อมูลที่ถูกต้องจนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง การปฏิบัติทั้งหลายก็ย่อมจะถูกต้องนนะแต่ใช้คำว่าถูกกับคำว่าต้องอันนี้อย่าแยกสับเทงไหนละภาษาภาษาสมุทัยภาษานิโรธภาษานิโรธคาม น, นีปฏิปทาถ้าอริยาสาวกเนี่ยนะเข้าใจอย่างนี้รู้ชัด 菩萨เหตุเกิด菩ะความดับ菩ะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ菩ะเมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยบันเทาปฏิคานุสัยถอนทีิถิและมานะว่าเรามีอยู่ออกได้และอวิชาได้โดยประการทั้งปวงยังวิชาให้เกิดแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้และคุณอริยาสาวกชื่อว่ามีความเหมนถูกต้อง มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมสายในธรรมะไม่คลอนแกลมมาสู่พระสัพทธรรมนี้ดังนี้ น, นะในอัตถกถาหน้า597กล่าวถึงสัมผัสในเพราะจักสุเรียกว่าจักขู่สัมผัสหมายว่าเพราะมีจักขู่นั่นแหละจึงมีผัสสะนั้นหมายถึงผัสสะทั้ง10บะนะผัสสะสิมีอะไรบ้างจักขู่วิ ญ, ญญาณมีสอง เช่นอะไรจักรวิญญาณมีในจักรวิญญาณเนี่ยมี2คือสุขอะไรนะกุศลวิบากกับอกุศลวิบากหูก็มีสองคือกุศลวิบากกับอกุศลวิบากเพราะการเห็นเนี่ยนะผัสสะทวารตามีทั้งดีและไม่ดีผัสสะทวารหูมีทั้งดีและไม่ดีผัสสะทวารจมูกดีและไม่ดีทางเลนก็ดีและไม่ดีทางใจก็เอาไว้ก่อนมีเยอะเอาเอาตาหูจมูกเลนกายมี10ก่อนนี่ก ก็ว MM. ่าไอ้ไม่ดีนี่ไม่ดีแบบเห็นปั๊บร้องให้โฮเลยได้อะเคยเห็นไหมเห็นปั๊บร้องให้โฮเลยเห็นปั๊บดีใจแบบโอ้กระโดดโลดเต้นเลยก็มีทวารหูก็เหมือนกันนะฟังหนึ่งคำปั๊บเนี่ยนะโอ้ยแทบจะช็อกตาให้ได้เลยฟังอีกคำหนึ่งดีใจแทบจะลอยเลยนะมันมันแบบดมมติวเห็นก็เห็นแบบเลวก็เลวสุดๆดีก็ดีแบบส mm. ุดๆก็มีไอ้ระหว่างกลางๆระหว่างดีสุดกับเลวสุดเหมือนกันนะนะระหว่างกลางนั่นอะทวารหูฟังบางคำเนี่ยดีสุดๆ ฟังบางคำเนี่ยเลวสุดๆเช่นคําสั่งฆ่าเราไงนะมันเลวสุดๆแล้วนะอะไรจะเลวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมตายซะเถอะอะไรเงี้ยนะแบบฟังปั๊บโอ้โเลวสุดเลยคำนี้ใช่ไหมทวารจมูกบางกลิ่นก็เลวสุดบางกลิ่นก็ดีสุดทวารลิ้นก็เลวสุดแล้วก็ดีสุดทวารกายก็แบบแหมสุขแบบสุดๆก็สบายจริงๆแล้วก็ทุกแบบสุดๆนะครัเจ็บปวดสุดๆก็เนี่ยนะนรกอสุดแล้ว แต่วแค่ถ้าเป็นมนุษย์นะแค่ไหนไอ้เจ็บเจ็บปางตายนะเจ็บเสร็จแล้วก็ตายนะั่นแหละถือว่าเจ็บที่สุดเหมือนกันนะนะโวันทวานใจทวานใจหมายถึงภาษะที่เกิดร่วมกับสัมปติชันะสันติระนะพวกนี้ก็เรียกว่าภาษาทวานใจนะหรือแม้กระทั่งที่เกิดร่วมกับตถาลัมมณะที่เกิดร่วมกับมหาวิบากกันนะมหตาตะวิบากทั้งหลายพวกนี้เรียกว่ามโนสัมผัส มโนสัมผัสคือภาษาที่เกิดร่วมกับวิบากจิตทั้งหลายภาษะเหล่านี้เนี่ยนะภาษะทุกขวางเกิดจากอายตนะถ้าไม่มีตาจากขูสัมผัสไม่มีถ้าไม่มีหูจากขูสัมผัสก็ไม่มีถ้าไม่มีจมูกคานะสัมผัสก็ไม่มีถ้าไม่มีเลนชิวหาสัมผัสก็ไม่มีถ้าไม่มีกายกายะสัมผัสก็ไม่มีถ้าไม่มีใจมโนสัมผัสก็ไม่มีก็บอกเออถ้าไม่มีก็อดภัสษะสิเนี่ย แต่ว่าภาษาก็ไม่ว่าภาษานี่เหมือนกับการติดเชือช้อ่มเพรมันตามด้วยเวทนาเวทนามันไม่ได้หยุดแค่เวทนามันตามด้วยตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณาโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตพันการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นการก่อตัวแห่งสังสารทุกข์เพราะว่าตั้งแต่มีตาเนี่ยความทุกข์ได้เริ่มเริ่มขึ้นตั้งแต่มีตาและความทุกข์มมกเริ่มมีตั้งแต่มีหูความทุกข์เริ่มมีตั้งแต่มีจมูกมีลิ้นมีกายแล้ว มีใจมีทวารไหนบางที่ไม่ทุกเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ามีแผลที่รักษาไม่หายเป็นเนี่ยนะถามว่าจะเดือดร้อนขนาดไหนฉันใดตานี้เป็นแผลชนิดหนึ่งที่รักษาไม่หายหูก็เป็นแผลที่รักษาไม่หายจมูกก็เป็นแผลที่รักษาไม่หายลิ้นก็เป็นแผลที่รักษาไม่หายกายก็เป็นแผลที่รักษาไม่หายใจก็เป็นแผลที่รักษาไม่หายแมลงวันก็ชอบมาไข่ใส่ด้วยก็บอกอะไรนะอากุศลวิตกทั้งหลายกันนะ แมลงวันมาบินว่อนไข่ตอ่อมากุศลไม่ตกกระไลไปตามทวารเหล่านี้นั่นแลหันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นเหตุเกิดแห่งผัสสะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนบอกถ้าตาบอดคิดได้ทวารเดียวหรือน้องคิดทีละหกทวารเนี่ยนะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีผัสสะไหมเป็นต้นทกลงผัสสะหน้ามีหรือไม่หน้ามีเห็นไหม เ, เข้าดูเลจะเข้าข้างวัดตาหรือวิวัตะ มีสิ่ดีจะได้ฟังธรรมเนี่ยนะเออป่วยอะไรนะเหมือนกับคนไข้ก็บอกว่านี่นะเขาโชคดีจริงๆที่เขามีแผลเขาจะได้ทาตินเจอทายาแดงก็ว่าก ง, งั้นดีใจมากที่มีแผลจะได้ทายาเขางั้นยาทั้งหลายเขามีประโยชน์แก่การสำหรับรักษาแผลถ้าไม่มีแผลรักษายาทําไมชั้นใดก็ดีอารยมรักก็เหมือนกันมีสําหรับไว้ดับทุก์ถ้าหากว่าเสร็จกิจแล้วนะไม่มีมรักอีกต่อไปพระหัต์ท่านจะไม่เจริญมรักอีกต่อไป เพราะเรียกว่าอาเคฆะผู้ทากิจในมรรคเสร็จแล้วผู้ที่ยังทากิจอยู่ก็เนื่องจากว่ายังยังไงก็ยังรักษาแผลไม่หายอ่ะนะยังรักษายังรักษาแผลไม่หายจำเป็นต้องใช้ยาฉันนั้น